โอวาทข้อที่4ความถ่อมตนโอวาททั้งสข้อนั้นล้วนแต่สอนให้ละชั่วทำดีส่วนโอวาทข้อสุดท้ายนี้ท่านสอนให้รู้จักวางตนในการครบหาสมาคมกับบุคคลทั่วไปโดยให้ยึดคุณธรรมข้อนี้ไว้คือการถ่อมตนไม่อวดว่าตนเองวิเศษกว่าผู้อื่นก็ย่อมจะไม่มีเรื่องราวกับใคร ไม่กล้าทำความชั่วสำนึกอยู่เสมอว่าตนเองยังทำความดีไม่เพียงพอก็จะมีความก้าวหน้าในการฝึกตนไม่เพียงแต่จะหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลายังต้องรู้จักฝึกตนให้เข้ากับคนในสังคมได้จะได้ไม่มีศัตรูทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่มีอุปสรรคในการสั่งสมคุณธรรมความดีงามคำภีอี้ จ, จิงได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใดยกตนข่มท่านอวดวิเศษกว่าผู้อื่นย่อมต้องประสบความเสียหายผู้ใดอ่อนน้อมถ่อมตนไม่จองของลำพองตนย่อมต้องประสบความสุขความเจริญแม้แต่แผ่นดินก็หนีกฎนี้ไม่พ้นดูแต่ขุนเขาที่สูงตระหง่านยืนทะมึนเย้ยฟ้าทาดินก็ยังต้องพังทลายอยู่เนืองๆส่วนแอ่งน้าที่ต่าต้อยนั้น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 จึงเห็นได้ว่าฟ้าดินเทพยาดาผีปีศาจและมนุษย์ล้วนนิยมชมชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนกันทั้งสิ้นในคำพีอื่นๆก็กล่าวเหมือนกันว่าทาระนงตนย่อมนำมาซึ่งความวิบัติถ่อมตนย่อมนำมาซึ่งความเจริญพอได้ไปร่วมสอบไล่กับนักศึกษาอื่นๆตั้งหลายครั้งทุกครั้ง พอสังเกตนักศึกษาที่ยากจนบางคนบนใบหน้ามักทอประกายแห่งความถ่อมตนจนบางครั้งพ่อคิดอยากจะเอามือทั้งสองของพ่อไปประคองประกายแห่งความถ่อมตนนั้นมาประดับบนใบหน้าของพ่อเสียบ้างและไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขาเหล่านี้สอบไล่ได้ทุกทีไปเมื่อตอนที่พ่อเข้ามาสอบในเมืองหลวงมีเพื่อนนักศึกษาร่วมเดินทางมาด้วย รวมทั้งหมด1ิบคนด้วยกันพอสังเกตดูเห็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดมีชื่อว่าปิงเป็นคนเดียวที่มีความสงบเสงเี่ยมเจียมตนมีความถ่อมตนอยู่เป็นนิดพ่อจึงบอกกับเพื่อนว่าคนคนนี้ต้องสอบไล่ได้แน่นอนเพื่อนถามว่าทำไมพ่อจึงรู้ล่วงหน้าได้เล่าพ่อบอกเขาว่าความถ่อมตนย่อมนำมาซึ่งความเจริญ ในหมู่พวกเราทั้งสิบคนนี้มีใครบ้างที่ซื่อและจริงใจเหมือนอย่างเขาคอยเอาใจเพื่อนฝูงไม่เคยเอาเปรียบใครเลยแม้ใครจะหยอกล้อ ก, ก็ไม่โกรธตอบใครนินทาว่าร้ายก็ไม่โตเถียงสำรวมระวังไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์เหมือนคนอื่นคนเช่นนี้แม้แต่ผีสางเทวดาฟ้าดินก็ยังต้องให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเมื่อผลการสอบไล่ครั้งนั้นปรากฏออกมา ก็เป็นจริงดังที่พ่อคาดไว้ทุกประการเมื่อปีพุทธศักราช 2,120 พ่ออยู่ในเมืองหลวงพักกับเพื่อนชื่อใครจือแซ่เฝิงพ่อสังเกตดูรู้สึกเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเด็กๆ เ, เขาขี้เล่นซุกซนและเจ้าอารมณ์แต่บัดนี้ดูเขามีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นคนดีมาก ฉลาดซื่อตรงชอบช่วยเหลือเพื่อนคุณธรรมสามประการนี้สมแล้วที่จักขนานนามว่ากัลยาณมิตรเขามักจะติเตียนใครจือต่อหน้าใครจือไม่เคยโกรธหรือโต้ตอบเขาเลยรับฟังอย่างอารมณ์ดีเสมอพ่อจึงบอกเขาว่านิสัยอันดีงามของเขานี้ย่อมเป็นปจนัจจัยนำไปสู่ความมีบุญวาสนา ส่วนคนที่ต้องประสบเคราะห์กรรมก็เป็นเพราะเขาสร้างนิสัยไม่ดีงามเป็นเหตุปัจจัยนำเขาไปสู่ความหายยนะเช่นกันสำหรับเพื่อนนั้นแม้ฟ้าดินก็ต้องประทานการสนับสนุนปีนี้เพื่อนจะต้องสอบไล่ได้อย่างแน่นอนต่อมาก็เป็นจริงดังที่พ่อพูดกับเขาไว้ตอนความถ่อมตนนำมาซึ่งความสำเร็จ มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งแซ่เจ้าสอบไล่ได้ในภูมิลําเนาของตนเมื่ออายุยังไม่ถึง20ปีแต่ต่อจากนั้นไปจะสอบกี่ครั้งก็ไม่เคยสอบไล่ได้อีกเลยต่อมาได้ติดตามท่านบิดาที่ต้องย้ายไปรับราชการที่อำเภออื่นในอำเภอนั้นมีบัณฑิตที่มีความรู้สูงอยู่ท่านหนึ่งมีนามว่าเฉียนหมิงอูเด็กหนุ่มได้ทราบข่าวก็รีบนาบทประพันธ์ของตนไปหา เพื่อขอคําแนะนําโดยไม่คาดฝันท่านบัณฑิต จ, จับผู้กันได้กระตะวัดข้อความในบทประพันธ์นั้นทิ้งเกือบหมดถ้าเป็นบางคนก็จะโกรธมากแต่เด็กหนุ่มคนนี้นอกจากจะไม่โกรธแล้วยังขอบพระคุณท่านบัณฑิตแล้วรีบเขียนใหม่นํำมาให้ท่านแก้ไขอีกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งพอรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งเด็กหนุ่มก็สอบไล่ได้ ตอนสติปัญญาควบคุมอารมณ์ได้เมื่อปีพุทธศักราช 2,135 พ่อได้ไปเมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้าฮองเต้ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งดูเขาช่างมีความจริงใจและอารมณ์ดีเสียนี่กระไรประกายแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนฉายแสงอยู่ทั่วบรรยากาศที่รอบๆตัวเขาทำให้พ่อได้สัมผัสกับประกายนี้ด้วยความชื่นชม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 เขาสอบไล่ได้ปีนั้นเองตอนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ต้องใช้เงินเมื่อปีพุทธศักราช2077มีนักศึกษาแท้จางคนหนึ่งมีความรู้ดีเขียนบทความกะดีเป็นคนเด่นคนหนึ่งในบรรดา น, นักศึกษาทั้งหมดเขาเดินทางมานานกิ่งเพื่อเข้าสอบพักอยู่ที่วัดวัดหนึ่ง เมื่อผลการสอบประกาศออกมาปรากฏว่าสอบตกแทนที่จะโทษตนเองว่าความรู้ยังไม่ถึงจึงสอบไม่ได้แต่กลับโกรธกรรมการควบคุมหาว่าไม่ยุติธรรมมีตา ก, ก็หามีแววไม่บทประพันธ์ดีๆก็หาว่าไม่ดีหลวงจีนในวัดท่านหนึ่งได้ยินเข้าจึงยืนยิ้มอยู่เขาก็เลยพานโกรธหลวงจีนไปด้วยหลวงจีนจึงกล่าวเขาว่า ดูดูแล้วเห็นทีบทประพันธ์ของท่านไม่ดีจริงเขายิ่งโกรธใหญ่ตวาดหลวงจีนว่ายังไม่ทันเห็นบทประพันธ์จะรู้ว่าดีไม่ดีได้อย่างไรหลวงจีนจึงพูดว่าการประพันธ์ต้องอาศัยความสงบทางใจจิตเป็นสมาธิจึงจะเขียนได้ดีท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้วันไหวอยู่ตลอดเวลาจะเขียนบทประพันธ์ได้ดีอย่างไรได้ นักศึกษาจางได้สติจึงคุกเข่าขอเข้ามาและขอมอบตัวเป็นสิทธิ์หลวงจีนจึงสอนว่าการสอบไล่ได้หรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตถ้าเขาชะตาไม่ดีแม้จะเขียนบทประพันธ์ได้ดีอย่างไรก็สอบไม่ได้จึงต้องแก้ไขที่ตนเองเสียก่อนนักศึกษาจางกราบถามท่านว่าหากขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตแล้วจะแก้ไขได้หรือ หลวงจีนพูดว่าฟ้าประทานชีวิตให้เราแต่ชะตาชีวิตเราต้องสร้างสมเองหากกระทำแต่ความดีมีศีลธรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่นยิ่งไม่มีผู้รู้เห็นก็ยิ่งเป็นกุศลมหาศาลเมื่อเราสั่งสมความดีจนเต็มเปี่ยมคือครบทุกมาตรการสูงถึงมาตรฐานแล้วเราจะต้องการชะตาชีวิตอย่างไรก็ได้ทั้งนั้น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 แต่กลับไปด่ากรรมการคุมสอบเล่านักศึกษาจางเพิ่งคิดได้จึงเริ่มปฏิบัติตนเสียใหม่ลดความหยิ่งผยองลงไปทุกวันทุกวันเพิ่มคุณธรรมให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีครั้นอีกสมปีต่อมาในปีพุทธศักราช2080ในคืนวันหนึ่งเขาฝันไปว่าได้ไปในตึกสูงใหญ่หลังหนึ่ง เห็นบ so, so, <Yes. S 1> ัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบไล่วางอยู่เล่มหนึ่งเมื่อเปิดออกดูเห็นทุกหน้ามีช่องว่างก็เกิดความสงสัยจึงถามคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆว่าทำไมบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบได้แล้วจึงมีการคัดออกอีกคร้าก็ได้รับคำตอบว่าเนื่องจากผู้ที่สอบไล่ได้แล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบในยมโลกทุกๆสามปีถ้าใครมีความประพฤติไม่ดี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 อดทนในสิ่งที่ทนได้ยากฟ้าดินและผีสางก็ย่อมจะเห็นใจเราประทานความช่วยเหลือแก่เราคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตย่อมไม่ทำจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวย่อมไม่เป็นผู้ทาลายความสุขความเจริญของตนเองความถ่อมตนทำให้มีโอกาสที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านผู้รู้ได้รับประโยชน์จากท่านเหล่านั้นไม่จบสิน้น นักศึกษาจึงควรทำตัวเช่นนี้ลูกจงจำไว้ว่าคนที่ยกตนข่มท่านถือดีอวดเบ่งนั้นแม้จะได้ดิบได้ดีก็ไม่ยังยืนนานโบราณท่านว่าไว้ปรารถนาชื่อเสียงย่อมได้ชื่อเสียงปรารถนาความร่ำรวยก็ย่อมได้เป็นเศรษฐีความปรารถนาของมนุษย์เปรียบประดุจรากแก้วของต้นไม้ เมื่ออย่างลึกลงดินแล้วต้นไม้ก็จะมีกิ่งก้านไผ่สารออกดอกออกผลตามฤดูกาล ร, รากแก้วของมนุษย์ก็คือการอ่อนน้อมถม่อมตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่เราจะต้องยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมข้อนี้ถ่อมตนไว้เสมอให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นเมื่อไม่ทำให้ผู้อื่นสะเทือนใจ เพราะความอวดดีของเราแล้วฟ้าดินย่อมประทับใจในความดีของเราพวกนักศึกษามักบนบวงเทพยดาฟ้าดินขอให้สอบไล่ได้แต่พวกนี้ไม่ค่อยมีความจริงใจการบนบวงจึงไม่ได้ผลนักปราชท่านมื่อจือพูดกับพระเจ้าชีสเวนอองว่าพระองค์โปรดดนตรีถ้าโปรดด้วยความจริงใจแล้วไซ ชะตาของประเทศก็จะรุ่งเรืองสุขใสเป็นแน่แต่นี่พระองค์โปลดดนตรีเพื่อความสุขของพระองค์เองหากพระองค์สามารถขยายความสุขส่วนตัวนี้ให้แผ่ภัยสาลไปในดวงใจของราษฎรทุกคนแล้วไซรราษฎรก็จะมีความสุขเหมือนดังพระองค์และทุกคนก็จะจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างสุดหัวใจเมื่อนั้นชะตาของบ้านเมืองฉี จะไม่รุ่งเรืองสุขใสยอย่างใดไ ด, ได้เมื่อลูกต้องการสอบไล่ได้เป็นขุนนางลูกก็จะต้องตั้งความปรารถนาไว้ดุดรากแก้วของต้นไม้แน่วแน่ที่จะทาความดีไม่ท้อถอยสั่งสมความดีงามให้ได้ทุกๆวันลดความถือดีอวดดีให้หมดสิ้นไปสร้างอนาคตด้วยตัวลูกเองชะตาชีวิตจะทาอะไรได้ขอให้ลูก จงเพียพรพยายามต่อไปเถิดความสำเร็จย่อมรอลูกอยู่แล้วอย่างแน่นอนโอวาสีของท่านเหลียวฝานจบลงณบัดนี้ขอความหลุดพ้นจงเกิดแก่ท่านผู้ฟังเถินจากผู้ถอดความเชื้อจันอัชพัน